วัดที่นี่แปลกมากครับพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าตั้งแต่อยู่ในคันแล้วไม่มีฉากปรินิพานพระพุทธเจ้าพุท ธ, ธะนั้นไม่เคยตายเนื่องข่าทึ่งมากกับแปลกประหลาดเขามีวิธีสื่ออะไรที่ลึกกว่าของเราดังนั้นเมื่อท่านออกบวชท่านก็นเริ่มตั่งสอนแต่โดยเฉพาะเมื่อตอนเป็นทาลกน้อยนอนหลับอยู่เมื่ออสิทธดาบวมาเยี่ยมพระราชบิดาเพื่อจะดูลักษณะของพระกุมารเลย เจ้าชายได้ยินด้วยทิพยโสว่ามีฤาษีต้นหนึ่งจะมาดูลักษณะทรงเมตตากรุณาทั้งแต่เป็นเด็กทารกอานอนฟังอยู่ว่าสิทธราบททูนอะไรกับพระบิดาบ้างแล้วก็อาศัยความเอนดูซึ่งอบรมมาหลายแสนชาตินะฮะลืมตาขึ้นลุกจากเตือนตื่นนอนคล้ายๆเตื่นด้วยความเมตตาผู้อื่นเขาเขียนละเอียดมากเลยดูในง่ายสิลูปบานะ นักเทศพิดานี่หอแล้วถ้าเคยไปที่นครศรีธรรมราช ท, ที่วิหารสมาโดยเฉพาะว่าเทวดาเนี่ยได้แบบแบบนี้หรือเชื่อมโยงกันครับสิ่งหนึ่งซึ่งกุ่มเลื้ยวอธิบายในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็คือนอกจากศรีวิชัยนั้นเป็นที่ตกเฉียงกันว่าศูนย์รวมราชอานาจครั้งนั้นนะครับอยู่ที่ด่นหน้าแตกกันเป็นสองพิพิีอยู่นะครกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าคือศรีวิชัยที่ชายาเพราะยัมีหลักฐานเหลืออยู่ เช่นภูเขาชื่อสีวิชัยหรือตำบลที่ลงท้ายด้วยชยาอา จ, จเป็นชื่อลัดสั้นของสีวิชายาก็ได้แต่ที่สำคัญคือมีปฏิมากรรมพระโพธิสัตว์โพโลเตสวนสำริดซึ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราค้นพบในประเทศนี้นะฮะแต่ไม่มีปฏิมากรรมฉลัดหินนะแต่ที่ยอกยาการ์ตาที่บริบโดตั้งอยู่เดี๋ยวนี้นะเราพบว่าปฏิมากรรมมันล้าเลิศในหิน แต่ไม่พบในสาลิศใหญ่ๆนั้นความขัดแย้งมีอย่างรุนแรงเนี่ยปกตินะถ้าศิลปกรรมมารุ่งเรืองกันที่หนึ่งที่ใดมันต้องถึงพร้อมและหลากหลายคือทั้งสำลิศทั้งหินทั้งอะไรนะแต่มันแยกส่วนกันอยู่อีกทฤษฎีหนึ่งกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าที่ปาลมบังแต่ที่แน่ที่สุดบรุพโทนั้นเป็นที่ยุคสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดเอ่อดังที่ผมเกริ่นแล้วว่า การปรากฏกายขึ้นของอารยธรรมสูงส่งนี้เกือบจะไร้ที่มาครับปกติเส้นกราฟของอารยธรรมสูงส่งเนี่ยต้องค่อยๆทวีขึ้นเช่นจากศิลปะที่เป็นพร imitive ค่อยๆพัฒนารูปแบบทีละน้อยทั้งเทคนิคทั้งลูกทรงอะไรเนี่ยนะแต่ที่วโรพุโตนี้ปรากฏที่มาอย่างพัดพลาดไม่ต่อเนื่องกับอารยธรรมอื่นแลวถึงวันที่ลาจากไปก็ไม่มีลูกหลานหลงเหลือคือ ศิลปะบนชวานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งปัจจุบันนี้ไม่เชื่อมประสานเชื่อมโยงและที่ว่าใช้แรงงานมากลาวเขาคนคนเดียวทำมีคุณคนหนึ่งครับผมเชื่อเป็นคนที่มองค่อนข้างแม่นผมค่อนข้างเห็นด้วยคือคุณครูธรรมทาตุพาณิสน้องชายของท่านอาจารย์สนโมกแนละครูพยายามที่จะเสฉลยปัญหานี้กับเขาด้วยคนหนึ่งแล้วท่านก็ชี้แนะว่า การปกครองของราชอาณาจักรทะเลใต้ของราชวงศ์ศรีวิชัยนั้นใช้ระบบโรดทารีคือไม่มีศูนย์รวมหน้าที่แน่นอนกินช่วงนานแต่โยกย้ายอันเนื่องแต่บุญยะบารมีของพระราชาราชวงศ์นี้เช่นยุคใดที่พระเจ้าเป็นดินราชวงศ์เซเรนทรานะครับประทับอยู่ที่ชยาและมีบารมีสูงศูนย์รวมก็จะรวมที่นั่น เราย้ายิปที่เขมรโบราณย้ายไปทีเเ ป, ทปะลังบังโลเทสเข้าใจนะครับและดังนั้นมหาสถูรที่นี่ถูกร่วมแรงร่วมใจของราชอาณาจากักรศรีชัยทั้งหมดร่วบรวนสร้างแรงงานจึงไม่อาจค้นพบได้บนเกาะชวาเป็นการรวบรวมจากหลายราชอาณาจากักรผมฟังดูรู้สึกเหตุผลนี่ชัดเจนดีมากครับทําให้หายข้องใจไปเรื่องแรงงานฮนะ เพราะขนาดของสัวถูฝีมือนี่มันส่อคาว่าประชากรที่อยู่เมืก่อนนั้นต้องมากต้องมากพอครับ ท, ที่จะระดมกันมานะครับเพื่อจะรองรับการสร้างสิ่งใหญ่โตโหรลานและรายละเอียดปอนนี้ได้อันนี้เนื่องจากถ่ายแงนมันนิดนะฮะเลยดูสัดส่วนกันไ้ท่อนล่างยาวมากท่อนล่างดูจะเป็นประทีปครับที่เป็นเปลวขึ้นแตนรายละเอียดเราจะเก็บ รายละเอียดนี้ศึกษามันอย่างไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นครับชั้นที่สองและที่สามซึ่งมีลักษณะเงื่อนไขจำกัดในการสร้างรูปแบบเช่นการแต่งตัวในพุทธวัติจาเป็นมากที่จะต้องอยืมมาจากอินเดียโบราณด้วยนะฮะแต่ท่อดล่างี่ฐานนั้นเนื่องจากอิสระจากเงื่อนไขเหล่านั้นดังนั้นเองฉากโลกมนุษย์โลกยมนุษย์นะ กลายเป็นแสดงออกอย่างเสรีมากแล้วมันมีคุณค่าทางด้านมรดดีตรงที่มันได้สะท้อนนิถีชีวิตความเป็นอยู่บนเกาะชาวาเมื่อพันกว่าปีได้อย่างเด่นชัดสิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะกล่าวในที่นี้นะครับว่าประวัติศาสตร์ที่จดจารโดยน้ำมือมนุษย์นั้น จ, จะถูกบิดเบือ น, นช่อฉนได้ง่ายครับขึ้นว่าผู้จดจารผู้เขียนนั้นมีอัติเขียนหลอกลวงหรือเติมแต้มสีสันขึ้นกระดาษ แต่สำหรับหน้าต่างของศิลปะแล้วบิดเบือนไม่ได้ครับหรือถ้ายุคสมัยนั้นผู้คนชีวิตด้านในเจริญรุ่งเรือ ง, ง, งนี่ก็จะสร้างสารรค์ศิลปะบริสุทธิ์ขึ้นมาเขาจะแกล้งทำเป็นทำไม่เป็นก็ไม่ได้หรือตกต่าเสื่อมทรามแส่งสร้างศิลปะให้สูงสง่งทําไม่ได้ครับเพราะศิลปะเป็นเพื่อนสะท้อนอารมณ์สุนทรีอันเลอเลือในภายในออกมานดังนั้นเมื่อเรามองสังคมผ่านทาง หน้าตาหรือบริทัดของศิลปะแล้วเราจะเห็นความจริงตรงๆครับคือขั้นในขุกรอนจะสร้างสรรค์ศิลปะไม่ได้ให้เลือเล่อนไม่ได้นี่คือข้อเท็จจริงในตรง้ต่อไปครับที่ยังอยู่ที่ฐานล่างครับน่าเสียดายเหลือเกินครับที่กล้องจับได้เป็นมุมๆเราไม่สามารถเห็นภาพทั้งหมดนี้ได้นะเห็นแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ เขาอ่อนเหมือนที่ผมเป็นนะครับคือรู้สึกทําไมเนาะศรัทธาเขายังท่วมทนขนาดนั้นเขาอยู่ในยุคสมัยซึเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ไดีวิเศษวิโสกว่าปัจจุบันนี้ด้อยกว่าด้วยซ้ําไปแต่พลังน้ําใจเขามหาศาลความทุ่มเทของเขาความจริงใจของเขาเนะื้อปัจจุบันนี้เรามีคอมพิวเตอร์เรามีทุกอย่างแต่เราทําไม่ได้เราไม่เห็นสาระด้านนายงชีวิต เรามุ่งใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อสนองชีวิตด้านนอกซึ่งนั้นแล้วแต่นำไปสู่วิกฤาการแผ่ขยายกว้างออกทุกทีซึ่งอ่างงามรับดูองค์กลางรหรือท่วงท่าที่ยืนนิ่มนวลสำหรับความกข้าใของผมในฐานะที่เคยเรียนศิล ป, ปะมาบ้างผมถือว่างานศิล ป, ปะที่นี่ทะลุทะลวงยุคสมัยแล้วครับไม่ว่าเ็นรีมัวหรือประติมากรคนไหนครับ เขาเข้าถึงความงามมันเลอเลิศของประติมากรรมแม้จะมีข้อจำกัดในเครื่องแต่งตัวบ้างอะไรอย่างเี้ราเห็นได้ว่าแบบอย่างนี้ได้รับอีกคนมาจากอินเดียนะครับเป็นอินเดียนไนเซชันแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยมีอะไรบางอย่างซึ่งซอฟกว่านุ่มนวลกว่าละเอียดอ่อนกว่าแตะโดยเฉพาะไอ้ความเข้าใจในกรุ๊ปปิ้งนะฮะในวิชาติปมีเวลาวางองค์ประกอบเนี่ย เขีนตัวฟิกเกอร์มากเนี่ยเขาเฉลียวฉลาดเหลือเกินรั้วข้างหน้านี่คงเป็นรั้วไม้แน่ใช่ไหมแต่เขาสลักถ่ายทอดรั้วของชาวชาวเมื่อสมัยโนย้นถึงแนี่คือกินรีครับตอนกินรีถูกบังคับให้ใหตายนะครับด้ว ย, วยการเผาเนะนื่องจากการกลั่นแกล้งกันกินรีก็ซึ่งเป็นสัตว์แสนสวยและสุดฉลาด ปีกกระหางเพื่อจะฟ้อนลาพระเจ้าาสามีนะครังนั้นถ้าพูดึกษาฝรั่งว่าภาพนี้คือ ah มโนราอินกริฟมโนราในท่าที่โศกเศร้านะแต่ฟ้อนลำให้ให้ให้งดงามถึงที่สุดซับท่าให้วิเศษสุดเพื่อที่ก่อนที่จะบอยบินกลับสู่ไก่ราดเราจพบภาพที่แปลกไปนไหมเราเห็นฝูงนกบิดตามจินนรีด้วยครับซึ่งเป็นภาพที่ค่อนข้าง เป็นอัตวิอัตนาของตัวศิลปินเองในพระกรมทีไม่ได้บอกไว้นะครับว่ามีนกบินตามแต่ศิลปินมีอะไรบางสิ่งที่เขามีอิสระสศิภาพที่จะเติมในสิ่งที่เขารู้สึกว่าต้องมีเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ที่เหมือนมโหรีนะเป็นซิมโฟนีทางสืเสียงในการชื่นชมศิลปะนะครับถ้าศิลปะนั้นทะลุทลวงวงการเวลาได้แล้วนะครับประติมากรรมจะสะท้อนดนตรีมาด้วย คืมันจะทะลุทะลวงออกทุกมิติในปฏิมากรรมจะมีจิตกรรมครับในจิตกรรมจะมีหน้าตลักนี่ก็เป็นท่าหน้าตลักณ์ด้วยนไอ้นี้นี่เหมือนฐานล่างที่ว่านะฮะฐานกรรมวิพังอันนี้คนละบทแล้วนะฮะผมเข้าใจอันนี้เป็นสุริยเทพครับโบทพรหมพันใกล้ๆกันครับฝีไม้ลายมือก็เข้าใจว่าหยิบยืมกันหรือเชื่อมโยงกันอยู่นะฮะ ต่างยุคต่างสมัยแต่ว่าสไตล์ทางศิลปะนี่ยยังเชื่อมโยงและผมเชื่อว่าช่างก็สืบสกุลเดียวกันด้วยม้วนงามมาก น, นะทานี้อยู่ <c oughs> ไม่ออกครับเป็นภาพอะไรสวกไหมฮนะโดยเฉพาะองค์ที่นับใบหน้านะองค์ที่สามจับขวามือนงามบริสุทธิ์เหลือเกินเทพธิดาทั้งหลายกำลังอนุโมทนาครับเมื่อพระพุทธองค์เจ้าชายสด็จ ขี่กันธากะเผินไปในท้องฟ้าครับแต่เดี๋ยวจะเห็นความแปลกประหลาดตอนนี้ยังไม่ถึงฉากพระจันมานนะแต่ว่าวิเจ้าสอนตั้งแต่ ต, แ ต, ตั้งแต่ต้นมือเลยนะจะเป็นโพยสัตว์องค์หนึ่งองใดครับถ้ามีพุทธูปนั่งที่หน้าผาเราต้องเข้าใจทีก็คือเอาโลหิตส่วนเนียแต่นี้ดูไม่ชัดครับนี่จะเป็นสีอารยามเมตรย ค, ครับสังเกตได้จาก คุเห็นอะไรไหมในรอ บ, บพิเศษป่าใครทั้งหมดนี้อารยะแม่ไตรคือพระพุทธเจ้าแห่งอนาคชน์ตอนนี้นี่เหมือนจะข้ามแนะม่น้ํามโนมาครับดูเช่นจีวรครับนเะลี้ยวที่เห็นหินเกลี้ย ง, งนั้นหมายความว่าภาพต้นแบบจริงๆนั้นพัทงทลายหาไม่เจอครับหลังจากบูรณะถ้าเวลาร้อยปีบูรณะขึ้นใหม่ได้เท่าที่เป็นอยู่นี้แล้วนะครับเหลือหิน ต้องทํำชิคซอชิคซอมายังเล่นภาพติดต่อนะแล้วมันต่อไม่ลงเนี่ยกองภูเขาเรากลางคือไม่รู้ไม่รู้จะต่อก็ไปส่วนไหนมันเหมือนเกมกีฬาเด็กๆที่เรียกชิคซอใช่ไหมฮนะ ท, ที่ตินต่อภาพภาพต่อเดิมเนี่ยต่อแล้วต่อไม่ลงครับต้องสร้างสินค้าอีกแห่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อคุ้มครองนะบอกเล่าไว้อีกนิดนะครับใกล้ๆกับบริบูตันี่มีเซบูครับมี เจดีอีก400องค์ใหญ่ๆซึ่งรัฐบาลในนย้ยเซียไม่มีเงินที่จะฟื้นฟูโบนัสมา <c oughs> เขาคงต้องรอชาวพุทธทั่วโลกช่วยเหลือครับ400องค์ครับอ ง, อ, งองค์ใหญ่หญหๆทัง <c oughs> นั้นเห็นชัดว่าจินตนาการของช่างที่สว่าต่อพระพุทธองค์หรือการหิ้วบาทนั่นคือถุงบาทไม่ใช่ถลกบาทนะครับ เป็นถุงทัหลับยี้มอยู่แล้วมีบาทเหมือนจะภาพเดียวกันครับภาพรวมข้างบนที่ลอยอยู่นั้นคือเทพธิดาและเทพประบุตนะฮะโรยปลายดอกไม้พระเกตท่านนั่งยงดีครับนั่งชันเข่าแล้วดูเหมือนจะมีสายลัดระหว่างเอวค่อนบนนะครับสูงอกกับเข่าพวกเราอาจจะน่าทดลองใช้บ้างนั่งอาจจะสบายก็ได้นะ ไม่ต้องไปซื้อโซฟาหรืออัมแชร์<笑><笑>เพียงแคนแสดงโบราณเขาเขาค้นหาท่าโยคะได้ผมเคยทดลองรู้สึกสบายมากรับแต่นั่งนานไม่ได้อันนี้ก็เป็นเท่านั้นเหมือนกันอันนี้ผมบอกให้อาจารยศศ์ยุทธศักดิ์ถ่ายเองครับต้นลักของความรักสนิทสนมของโบริษัทของผู้เจ้ากับยโสธราพิมพาหรือ กัจนานคื่อที่เดว น, นครับคือพุทธวัติของมหายาณว่าเล่าว่าสเสด็จจูงมือยโสธราพิมพามาแนะนำให้พวกชาววังรู้จักจกษัตชาวเป็นผู้ที่มีมนุษยธรรมและความอ่อนโยนสูงยิ่งครับพรราบนี้ผมบอกที่มือเนี่ยสวยเป็นดอาจารย์เขาเลย่ายจูงมืออยู่นะะมือของยโสธราอยู่ในมือของ เจ้าชายศิกระถานี่ก็สวยมากนะฮะน่าจะผูกกลอนอนกันตาปัญหาหลักที่บริวรสธนเผชิญมาพันกว่าปีนั้นก็คือน้ำฝนนะฮะน้ำฝนได้ซ้อลึกลงไปหินข้างล่างจนเข้าไปเกิดเชื้อราแล้วก็กัดกร่อนดีนี้นักวิชาการได้ใช้คุณทราชาวสำรวจเห ม, มือนทุกๆช่วงเวลาที่กำหนดไว้เพื่อคุ้มครองให้ถึงที่สุด วนท้างมาเสด็จเหมือนเสด็จเรียบพระนครหรื อ, อยังไรผมไม่มั่นใจครับดูการเคลื่อนไหวเนะเวลาเราดูศิลปะ เ, เราดูเส้นที่มันสอดสารรับกันแนละ้วก่อ เ, เกิดความเคลื่อนไหวท่วงทำนองเนิบช้าหรือว่าเร่งรัดหรือเร่งรีบ อ, อะไรก็ตามมีเรื่องพุทธวัติเล่าไม่ตรงกันทั้งฝ่ายหินยานและมหายาณ น, นะครับของเราเล่า ว, ว่า เเมื่อามายาทีวีไปกระสูตรพระราชโอรอสอะไรอย่งเงี้ยเสด็จกลับเทวสถานนครเมืองแม่เมืองบรรดาตามขนมเพลงนีโบราณแต่มหายานไม่ได้รับรองความคิดนี้ความคิดของหายาชรวหายาก็คือเพียงแต่มายาทีวีประสงค์จะไปเที่ยวที่สวนป่าเท่านั้นเองจะไปเที่ยวชื่นชมเพราะไปฤดูที่ดอกสาระกำลังเบ่งบานวุ่นงามมากนะ เนินพนานก็ไปเพื่อจะเล่นสารพันธุกิจกาการหักยอดดอกสาระยอดอกไม้ของกุศลปรารถนาคว้างเล่นกันเป็นเกมกีฬาแล้วเมื่อเงินประชวอประสูตรที่นั่นไม่ได้ไปเมืองแม่ไม่ได้ตรงไปเพื่อจะไปคลอดผมดูเหตุผลก็กำกึ่งครับมีน้ําหนักสูงเหมือนกันอันหนึ่งภาพนี้ใหญ่หนะฮะเจ้าชายเสด็จไปเรียนหนังสือ ไปโรงเรียนครับมีเรื่องแปลกที่เขาเขียนว่าที่จริงเจ้าชายตอนเด็กๆนั้นเมื่อเสด็จเข้าสู่วิหารใดรูปสลักเท พ, พเจ้าลุกขึ้นมาฟุบหมอบอยู่ข้างหน้าเขาก็เขีให้มันให้มันเป็นลิเทเลเจครับแล้วก็การเสด็จไปเรียนหนังสือของเจ้าชายนั้นเป็นเพียงอุบายที่จะสอนเด็กไว้เดียวกันและสอนครูผู้กาลังสอนตนเองอยู่ด้วย เราบางเรียนพ่อแม่ไปส่งนะแต่ว่าในพุทธวัตรมหาญาณเนี่ยเทพวดาหลายชั้นในสสวรรค์นำทางลงไปกัมมันธพัพครับที่ฐานที่ถูกกลบผมเล่าค้างไว้นะิดนึงฮะเมื่อถูกกลบแล้วเนี่นะกบมาพันกว่าปีแล้วนะฮะไม่ใช่เพิ่งกลบนะทีนี้เมื่อ น, นักโบราณดีแวนเอิบซึ่งเป็นชาวเหมือนเดนมาร์กนะฮะบูรณะเป็นคนแรกเนะี่ยเขาค้นพบโดยบังเอิญครับคือไปขุดส่วนหนึ่งเข้าแล้ว เป็นเหต้องสาวต่อขุดลงไปลึกลงไปเรื่องไปจนในสุดเขาเห็นภาพเปิดเผยภาพเหล่านี้นะฮะงามสะการตายิ่งครับในสุดเขาก็ขุดรอบเลยนะครับฐานทั้งหมดเนื้อที่หลายตารางวาทีเดียวครับแต่แล้วก็เกิดเฉลียวใจหลังจากขุดรอบหมดแล้วถึงว่าว่าเขาตกทำไมมันนึกได้เขาถมกันอย่างทันทีเลยฮะกลัวว่าฐานมันจะพังลงมาด้วยเหตุผลที่ไม่แน่ชัด พอกรบทับแล้วแวนเอิร์ก็กลับบ้านเกิดมึงนอนพอหมดงบประมาณแล้วอำนาจรัฐที่ปกครองในงนยซีก็เปลี่ยนมือนะครับเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้อีกเลยว่ามีฐานนะหลังจากเปิดเผยมาเมื่อร้อยปีเพียงช่วงสั้นแล้วนะครตากล้องคนที่ถ่ายภาพเหล่านี้ไว้ได้ตากล้องที่อันนี้ส่วนหนึ่งเนะก็เปิดได้เห็นนั้นเพื่อการศึกษาของนักปัิศาีตรตากล้องคนที่ถ่ายภาพไว้หมดเนื้นะ เขาก็เป็นลูกกําพลาที่นี่ได้ชาวเดนมาร์กอุปถัมเป็นพ่อแม่บุญธรรมเมื่อเสร็จงานที่นี่เขาก็ตามพ่อแม่บุญธรรมไปอยู่ที่เดนมาร์กแล้วก็แต่งงานมีลูกมีหลานฟิล์มที่ถ่ายไว้เนี่ยถูกเก็บไว้ที่เดนมาร์กครับจนกระทั่งมาถึงชั้นหลานเลนไปค้นดูก็พบว่าพบหลักฐานว่าที่ฐานโรโบิทอรย์ยังถูกกลบไว้อีกตั้งสิบเมตร เรื่องมีมีตำนานเอมีเรื่องาราวเบื้องหลังมากมายครับโอ้สวยมากนะสวยทุ่งท่าเราต้องดูอารมณ์ครับเส้นสายที่อ่อนโยนนะครับซึ่งถูกเศกสร้างขึ้นจากสุดทรงของมนุษย์ประสานรับกับใบหน้าอารมณ์ในใบหน้าก็นิ่มนวลสานกันมากกับกับเส้นอยมางนี้ความเฉลียวฉลาด อารมภายในศิลปินเนี่ยเขาเขาเข้าถึงดรามา่าเขาเข้าถึงการเริงรำเขาเข้าถึงว่าความงามในการเคลื่อนอวัยวะแขนขาที่เป็นที่มาของหน้าตลักษณ์หน้าตโยคะต่างๆสง่า ง, งามมากนะองนี้นั่นภาพพระโพสตัทุกภาพจะให้ความรู้สึกที่เชื่อมั่นในธรรมะ ซึ่งเราดูแล้วเราจะรู้สึกคล้อยตามครับ mm hmm. เป็นทุ่งท่าที่ยืนอย่างสงา่างามผู้ ท, ที่ถ่าทายต่โชคชะตามผมนึกไม่ออกครับว่าเป็นภาพอะไรแสงจ้าเปนิดหนึ่งเพราะเวลาถ่ายนี่มันเราแทบจะเลือกเวลาไม่ได้เลยนะี mm hmm. นั่นคือตั้งแต่ <c oughs> สามโมงถึงถึงบ่ายสามโมงนี่ไม่มีที่จะแทรกตัวขึ้นไปเลยนะ ทุกวับางทีอุกค น, นทนมากต้องนั่งรออยู่จนกระทั่งใกล้ครบจริงๆนะก่อนที่ประตูหน้าจะปิดจิงจะสามารถสัมผัสบรรยากาศที่ขลังเมื่อศักพิสิีได้นะับต่อไปครับที่ขึ้นคือการลุม ค, ครับประตูแห่งกาละเขาจะทำไว้สามขั้นครับหมายความว่าเมื่อจิตถูกยกระดับขึ้นสู่จากการมภูมิไปสู่ รูปภูมิไปสู่รูปภูมิแล้แล้วหลุดพ้นไปโลกุตรภูมิเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเซนซอบไทม์ครับการความรู้สึกเนื่องกับเวลาเปลี่ยนไปเป็นชั้นเป็นชั้นสามหลอี่ต้นไม้อย่างชีวิตเข้าใจว่าร่วมร่ากับความหมายคำว่าต้นการระบพืชกันหนือซึ่ง่ายเถรวาทเชื่อว่าต้นการพึกขึ้นสี่มุมเมืองหมายถึงความมั่งคั่งของชุมชนหรือถินทางนั้น เรียกมก ร, มรนะครับซุ้มจระนำที่เห็นเนี่ยนะมีพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับ504องค์จงกระทั่งว่าศิลาจรึกบางแห่งร่วมสมัยหรือใกล้เคียงนะยุคสมัยใกล้เคียงเรียกที่นี่ว่าภูเขาแห่งพุทธแล้วมีบันทึกของคนนอกซึ่งไม่รู้จักนันแสดงไม่ใช่ชาวพุทธนะเขาบันทึกว่า ได้ไปเห็นโบสถ์ที่มีพุทูปนับพันธ้อยเนยแล้วก็มีปาดผู้เท่าที่ถูกจำกรงอยู่ในในคุกเดี๋ยวจะรู้ว่าคืออะไรสวยมากเลยครับกลุ่มนี้่อจำกรงคือสถูปเจ็ดสบององค์ข้างบนเนะเป็นสัญลักษณ์ของสภาวะธรรมครับอันนี้เป็นภาพสเก็ตของอาจารย์ยุทธศักดิ์ซึ่งเขาแม่นยำมากก็ใช้เวลาที่ ช่วงสั้นนิดเดียวในขณะที่ถูกเบียดทั้งซ้ายทั้งขวาสามารถถ่ายทอดผมทักนำไปเพราะว่าคนหนุ่มคนนี้เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะสื่อความงามของบรรพบุรุษชาวพุทธแม้จะเป็นชวากระก็ตามเขาไวมากครับเขาเวลาตับเดียวแั่นเป็นเหมือนสมาธิเขาแก่กล้า พอใช้ครับเพราะถ้าคนที่มีสมาธิจะทําไม่ได้เลยแดดร้อนเหนื่อยหิวกระหายน้ําคนเบียดหน้าเบียดหลังแต่บางคนมาขอสิเขียนอยู่ทันเสร็จถ้าวันนี้อาจจะถูกแสดงขึ้นวันใดวันหนึ่งครับเพราะผมแนะนําให้ไปกันอีกหลายครั้งเพื่อจะเป็นสื่อกลางที่ถ่ายทอดความงามของพุทธศินที่ล้าเลิศที่สุด เท่าที่โลกเคยมีครับเพื่อให้เพื่อนมนุษย์คนไทยที่ไม่มีโอกาสจะดูการ s k e t ภาพนี้ความสำคัญลึกซึ้งกว่าการถ่ายภาพครับสีไม่ได้นะครับที่จริงสีสวยกันีมากครับแต่ว่าตอนถ่ายคลาไ์ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวนี้พูดได้ว่าเกิดกลุ่ม study Buruboro ท<ส>ี่แล้วครับผมเชื่อว่าศาสตร์ในการกระทำให้หิน เข้ากันสนิทนี้นะครับบางพวกสันนิษฐานว่าเป็นยางไม้นะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีครับไม่น่าจะมีแต่ไงก็ตามมีหลักฐานที่พระบรมชาติยานะครับนักวิทางาสตรเคยตัดชิ้นส่วนของอิดลอยเชื่อมนี่นะฮะส่งไปที่ปารีศสศูนย์วิจัยทางด้านวนะิทยาศาสตร์ทงนั้นวิจัยกลับมาว่าเป็นศาสตร์ที่สาบสูญคือไม่มีใครรู้เลยว่ามันติดกันได้ยังไงครับบางทีอาจจะไม่มีมอตา้า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 ตุนหวงหรือตุนห่วงที่จีนนั้นคบล่องลอยข้งหมู่บ้านครับคือหมู่บ้านช่างกงออกลูกออกหลานออกเหรนออกหล่นมาเพื่อให้เป็นช่างที่จะมาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้ได้กุมารใช้วงตระกูลใช้เลือดใช้เนื้อเพื่อที่จะสร้างสิ่งวิจิตนี้นะฮะสัเกต ด, ดูไม่ยาวมากครับประมาณัเข้าใจไม่เกินสองไม่เกินสามนิว้วเราเรียกกันในทางช่างวันเดือยตัวเมียตัวผู้นะฮะโซอันนี้ยื่นอันนี้แล้วก็ประกก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 ตัดสินใจรักษาโครงสร้างทั้งหมดไว้โดยยอมสูญเสียท่าล่างพอดินปฐมไว้สิบเมตรได้นะครับท่าล่างนึ่งค่อนข้างเป็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับโลกีด้วยน ะ, ะมีลักษณะของวัตถยานตันตระมีเรื่องเมถุนธรรมอะไรซึ่งอาจจะมีสาเหตุทางด้านจะิด้ทรอยู่บ้างเล็กน้อยครับแต่ไม่เด่นชัดเท่ากับว่าภูเก็ไฟระเบิด เพราะว่าถ้าสมมติว่ากรบเพื่อปิดบังภาพที่อุจารมันไม่จาเป็นต้องทำอย่างนั้นแกออกก็ได้ครับแกออกสักก็ได้ทิ้งไปก็ได้แต่ว่าเขาไม่ทำอย่างนั้นผมไม่เชื่อมั่นว่าผลหลักก็คือปรากฏการธรรมชาติซึ่งจะทำลายโครงสร้างหลัก